ตอนอิสระอย่างผีเสื้อวันที่7มิถุนายน2558กาบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณแมช่ชีกัลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะวันนี้พระครูก็ไม่ต้องไปหาโจทย์นะมีคำถามกาบเรียนถามพระครูค่ะแสดงว่าเป็นผู้หญิงเนาะ เมื่อเราโดนกระทบแรงๆเราถูกมารทดสอบใช่หรือไม่คะไม่ใช่เราถูกกระทบะอย่าไปคิดมากก็กระทบแล้วก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเนาะอย่าไปโยนบาปให้มารอย่างเดียวเนาะไม่ใช่มารเขานอกกระทบเแลนะตอนนี้มารในใจมันหลอกเราว่าเราถูกมารกระทบมารในใจเราแหละ นะรู้เท่าทันมันหรือเป็นเพราะบุปกรรมที่เราเคยกันแกล้งพูดจากโกหกใส่ลายเขาเอออันนี้ก็าคาดขณีเอาเองเนาะเอาเป็นว่าเหวี่ยงทิ้งนะกระทบไม่กระเทือนไม่ต้องพิจารณาไม่ตอกตัดสินอันนี้ตัดสินจะอันนี้ตัดสินแล้วว่าเป็นเพราะบุปกรรมที่เราเคยทํามานะอย่าไป มันมีเหตุของมันแน่นอนแต่อย่าไปหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะรู้เฉยๆกระทบสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินว่ามันเป็นอะไรมันก็กระทบมันไม่กระเทือนนะสมมติว่าเขาตีเราปุ๊บเรากระทบแล้วก็จบแค่นั้นมันไม่กระเทือนใจเราเลย เวทนาก็ไม่เกิดสัญญาไม่เกิดสังขารไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดขันห้าปรุงแต่งไม่ได้ปฏิสมุทบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัตตสงสารก็หยุดเนาะโอมีอีกสอีกามข้อมีเหลืออีกนะข้อที่สามหรือเป็นเพราะอุปนิสัยสันดานเขาเป็นเช่นนั้นเอาอีกแล้วเนาะไปตัดสินว่าเป็นเพราะสันดานเขาอีกแล้วเนาะอันนี้ช้าเกินไปนะคิดแล้วมโนกรรมแล้ว ก็ไปว่าเป็นเพราะสันดานเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นวิตกฉดิตของเรานะ mm. เมื่อจิตสุดท้ายจะละกายสังขารควรทำอารมณ์อย่างไรคะหรืออารมณ์มันจะเกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยหรือไม่ว่าอารมณ์ใดๆเกิดเวี่ยงทิ้งให้หมด เบี่ยงมินาทีสุดท้ายเนาะ <c oughs> เอาพลังที่ไหนมาเบี่ยงเนาะคือถ้าเราฝึกเบี่ยงเนี่ยน ะ, นะธรรมชาติจิตมันจะไปอยู่ในมันจะกลับคืนสู่จิตในจิตนะมันอยู่ในอาการหมุนดังนั้นนะสต่ว่าร่างกายเราทุรนทุรายน่เพราะูเคยเจอนะเจอหลายคนทุรนทุลายกําลังจะขาดใจตายเพราะว่าพอ เขาได้ยินเสียงพระครูบอกดึงมาอยู่ที่ลมหายใจนังก็จับลมหายใจมาหมุนเขาก็วางเวทนาตรงนั้น่ะวางขันห้าเขาไปอยู่ในอากาศธาตุนะที่แรงหมุนอ่ะเขาอยู่ในอากาศธาตุนั่นแหละเขาก็วางดินน้ําลมไฟนะวินาทีนั้นเราอย่าไปติดอยู่ไอโตวเวทนาตรงนั้นเข้าไปอยู่ในจิตนั่นะปลอดภัย เขาตกบันไดพลอยโจร น, นไหนร่างกายมันถึงวาละของมันเนี่ยเราวางมันได้ปุ๊บเราบรรลุอีกขั้นหนึ่งนะถ้าเป็นถ้าเป็นอนาคารีเป็นอหรหันเลยเป็นพระโสดาบันเป็นสกิทาคารีเลยอีกขั้นหนึ่งอันนี้สายที่เบียดเนี่ยเขารู้เวลาเขาจะไปนะเนื่องจากสายนี้เขาต้องการเป็นโพธิสัตว์เขาไม่ใช่เขาเขา เ, า ไ, เ, เาไม่ปฏิเสธนิพพาน แต่เขาใช้คำว่าโพธิสัตว์เพื่อเป็นอุบายทำความดีเขายินดีที่จะเกิดเขาทำดีแต่เขารู้ว่าช่วงเวลาไหนๆเนี่ยเขาต้องละสังขารเขาจะนั่งท่านี้ก็ได้นั่งท่ายงย่อก็ได้นะนั่งท่านอนก็ได้เขาจะดับขันเขาเวลานั้นแต่ไม่ใช่เขาบรรลุอรหันต์นะตอนนั้นเขาเข้าไปในฌานเขาเล่นแบบเข้าไปในฌานของจิตนะเข้าไปอยู่ในฌาน นะพอร่างกายมันหมดปุ๊ บ, บเขาบรรลุอีกขั้นหนึ่งนะอันนั้นเขาเรียกว่าดับขันอย่างมีสติอันนี้ก็เป็นสี่คำถามแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางคืออะไรนะสานสายกลางคือ ไม่ปฏิเสธซ้ายไม่ปฏิเสธขวานะยอมรับนะคือพระผู้เจ้าตัดเรื่องนี้เพราะว่าพระผู้เจ้าเป็นตัดสิ้นเรื่องของคู่มีซ้ายมีขวามีดีมีชั่วมีร้อนมีเย็นมีสตรีมีบุรุษทุกอย่างเป็นของคู่หมดในจตุไฟฟ้านั้นก็มีขั้วบวกขั้วลบถ้าเราสุดโต่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่เราจะทุกข์นะ ผู้เจ้าตัดไว้ว่าบำพชิตไม่เสพส่วนสุดโต่งสองส่วนนะระหว่างสองส่วนระหว่างของคู่ระหว่างดีกับชั่วระหว่างถูกกับผิดระหว่างร้อนกับหนาวแล้วก็ในแง่จิตเนี่ยระหว่างข้างนอกกับข้างใ น, นของเราชัดเจนนะข้างนอกปกติมันมีอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนีมากระทบใจที่ อารมณ์มกระทบใจมากระทบที่อจตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายมารู้อารมณ์ที่ใจอันนี้อจฉนะภายในอจญาตภายในมันก็แบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยนี่พอดีเลยนะอันนี้หนึ่งคือหัวใจอันนี้ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายไอ้ห้าอย่างนี้เป็นตัวรับผัสสาหูรับเสียงตารับรูปจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรส กายเนี่ยรับผัสสะรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งแล้วก็มารู้อารมณ์ที่ใจนะที่มารู้อารมณ์ที่ใจเนี่ยมันต้องอาศัยการเชื่อมโยงของวิญญาณหกนะวิญญาณที่ตาวิญญาณที่หูวิญญาณที่จมูกวิญญาณที่ลิ้นวิญญาณที่กายแล้วก็มาลิงก์กับมโนวิญญาณอยู่ที่ใจนี่คือขั้นตนการทางานของร่างกายเรา ทีนี้ผู้พระพุทธองค์บอกว่าบำรพชิตไม่เสียบส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในแต่ตอนนี้จิตเรามันไปสุดตรงข้างในมันเป็นธาตุของใจภาษาไทยเราบอกว่าจิตใจเห็นไมเราคิดว่าเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วคนละอย่างนะนะใจก็ใจจิตก็จิตเหมือนหูนี่แหละนะเราเราเราเอาเ อ, าอาวัยวะตรงไหนได้ยินบอกหูพระครูบอกไม่ใช่นะ ไม่ใช่ได้ยังไงบางครั้งเรานอนหลับสนิทเนี่ยเด็กร้องไห้ทําไมเราไม่ได้ยินเห็นไหมประสาทหูยังดีๆอยู่ทําไมเราไม่ได้ยินคําว่าหูเนี่ยเริ่มจากใบหูประสาทหูตีงหูต้องบวกกับวิญญาณหูด้วยถ้าวิญญาณหูมันไม่ทําหน้าที่วิญญาณคือตัวรู้เราไม่ได้ยินกายภาพประสาทหูพวกนี้มันมีหน้าที่ดูดเสียงเข้ามา แต่ตัวรับรู้เสียงคือวิญญาณหูคำว่าหูต้องต้องบวกกับกายกับจิตกายคือใบหูประสาทหูติ่งหูแล้วก็ประสาทหูบวกกับวิญญาณวิญญาณที่หูคำว่าหูจึงเกิดขึ้นทีนี้พอเรานอนหลับกึง่งกึงกึ่งกลับเราได้ยินเสียงเนเสียงมันลงเราไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันต้องส่งกระแสเข้าไปในเว็บไซต์เราเข้าไปมนโนวิญญาณตัวกล่องบันทึกโปรแกรมถ้าไอตัวนั้นเน่ะ มันนอนหลับมันไม่ลักกระแสเราก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงเราไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่ถ้ามันตื่นอยู่นะอ๋อเราบันทึกเป็นภาษาไทยว่าเสียงนายแดงมันร้องเราจำเสียงมันได้แต่ถ้าฝรั่งเขาบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกเสียงมิสเตอร์เรฟไอที่รู้จริงๆมันอยู่ข้างในนล่ล่ะรูม้มโนวิญญาณมันอยู่มันเกาะ อ, อยู่ที่ใจทีนี้ ในน้นมันบันทึกสัญญาว่ามันหมั่นไส้ไอแดงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพอได้ยินเสียงในแดงปุ๊บนี่โกรธเลยวียนเลยไม่ชอบนะแต่ถ้าบันทึกสัญญาว่าเรารักรักในแดงในแดงเป็นลูกรักของเราเราได้ยินปุ๊บเราไม่โกรธเลยเรารีบไปหาในแดงเวทนาเกิดขึ้นที่ใจนี่คือขบวนการทํางานของร่างกายเรานะ พู้ชาจะบอกว่าไม่เสพส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างข้างนอกข้างในข้างนอกคือตาหูจมูกดินกายข้างในคือใจทีนี้ที่เราปฏิบัติเป็นยังไงได้ยินเสียงที่หูธรรมชาติมันจะมารู้ที่ใจก่อนจะเกิดเวทนาแล้วก็วิ่งหนีหูอีกสมมุติฐานว่าเราคือจิตเราหลงใจมาตลอดชีวิตทาตามใจตลอดนะเราสุดตรงข้างใน ดีใจก็ลงใจเสียใจก็ลงใจตกใจก็ลงใจทีนี้เราต้องการปลดปล่อยจิตเราให้มันดดให้ดูดออกจากใจแล้วก็ใช้เสียงเป็นอุบายเนี่ยเสียงมีอิทธิพลสำหรับคนมากรูปก็มีรถนะอร่อยอร่อยก็ชอบชอบไม่อร่อยอร่อยก็ทุกๆนะรูปนี่สวยสวยก็ชอบชอบเนะี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันมีผลสำหรับเราโดยเฉพาะเสียงนี่นะเขาเขาชมเราใช่ไหม อุ้ยมีความสุขเขาว่าเราเป็นคนดีเราสวยเราหล่อเห็นไหมเสียงก็มีอิทธิพลแต่เขาด่าเราอีโน่นไอ้นี่มึงเลวมากเลยนะเสียงก็มีอิทธิพลเราก็ทุกข์นี่คือขบวนการทํางานสามชั่วโมงที่มันเกิดกับพรอครูพรอครูเห็นขบวนการทํางานของมันแต่พ่อครูเวลานั้นไม่รู้คําว่าอยายจนะภายนอกอยายจนะภายในวิญญาณหกคืออะไรโชคดีมากที่ไม่รู้นะมันก็เห็นชัดๆเลยถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะไปวิจัยมัน มันก็ไม่เห็นทีนี้สมมติฐานว่าในหูเนี่ยในหูมิสเตอร์หูเนี่ยเป็นเพื่อนเราเราคือจิตนะแล้วก็ในใจก็เป็นเพื่อนสนิทเราด้วยเราหลงมันมาตลอดชีวิตนะในหูมันได้ยินเสียงพูบอกมาฟังเสียงกับฉันเนี่ยเพราะเพราะถ้าเราไปหลงในหูนะล้วก็ส่งออกเอ้เสียงใครร้องเพลงนี้ฉันชอบมากเราก็สุดตรงข้างนอกขาดสติ พอเรารู้เสียงไอ้ใจมันกลัวว่าเราจะทิ้งมันมันดึงกลับมารู้ที่ใจเห็นไหมแล้วเราตลอดชีวิตเราหลงใจอยู่แล้วนี่เผลง่ายๆเพราะเราอยู่กับมันโดยเคยชินแล้วมันบอกอยู่กับฉันนี่สุขใจเราวางตัวเป็นกลางเร า, เ, าเราไม่เข้าข้างในหูเราไม่เข้าข้างในใจเราบอกมึงอย่าทะเลาะกันใจบอกอยู่กับฉันเนี่ยอยู่เธออยู่กับฉันตลอดชีวิตนี่สุขสุขเห็นไหมเราไม่เข้าข้างในใจแล้วก็วิ่งไปเยี่ยมในหู ในหูบอกเพลงเพ่อพ่อเธออยู่กับฉันเราก็ไม่เข้าข้างในหูทีนี้มันดึงกันระหว่างในหูกในใจเนี่ยมันดึงกันไปดึงมาเราก็เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นเหมือนเราหมุนลูกข่างก็เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นนี่เป็นอุบายเป็นเทคนิคที่ทําให้จิตเกิดแรงเหวี่ยงเหมือนเราหมุนลูกข่างต้องใช้สองนิ้วหมุนปุ๊บมันก็หมุนเมื่อมันหมุนเต็มที่มันก็นิ่งเห็นไหมมันไม่ต้องฝึกสมาธิเลยแรงเหวี่ยงนั้นทําลายสนามแม่เหล็กเห็นไหมอย่างที่เฮลิคอปเตอร์เราสตาร์ทใหม่ๆ เราหมุนเบาๆมันห่อไม่ได้นะเมื่อเราเวียงแรงๆทุกนี่มันเอาก้อนเหล็กก้อนเป็นพันกิโลเนี่ยห่อขึ้นไปบนได้จิตก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดแรงเวียงแล้วเนี่ยมันก็อิสระจากแรงดึงดูดของความคิดนะของเสียงของใจมันก็เข้าไปสู่จิตในจิตเป็นอุบายเทคนิคที่ปลดปล่อยจิตเราเร็วที่สุดในโลกในยุคนี้นะอันนี้คือบำเพ็ญคิดไม่เสพส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่าง ข้างนอกข้างในนี่คือทางสายกลางมัชิมาปฏิปทาส่วนชีวิตเราอยู่ข้างนอกเนี่ยทางสายกลางก็คือว่าทฤษฎีที่พบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่มาแสดงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะพอเพียงคือพอใจเพียงแค่มีทําอะไรแค่พอดีพอดีในกอก็พอดีในขอไม่เท่ากันในกอว้วนหน่อยหนึ่งกินข้าวสามชามอิบพอดี ในขอกินชามหนึ่งอิ่พอดีพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนต้องรู้ความพอดีของตัวเองช้างขี่ไม่ต้องไปขี่ตามช้างนะเรามีทุนเท่าไหร่เราก็ทําแค่นั้นมีกําลังเท่าไหร่ก็ทําแค่พอดีเราแต่ถ้าเราอยากได้มากเราไปทําเกินความพอดีนะไปกู้นี่ยืมสินมาทําปุ๊บความกังวลก็มากถ้าเกิดพลาดพังปุ๊บเนี่ยเราก็เดือดร้อนนี่คือทางสายกลางนะข้างนอกก็เกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่ข้างนอ ก, กเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ แม้กระทั่งความคิดถ้ามันจําเป็นต้องคิดคิดแค่พอดี ถ, อดดอดถ้ามันจำเป็นต้องพูดก็พูดแค่พอดีถ้ามันจําเป็นต้องทําก็ทําแค่พอดีทีนี้ชีวิตเรามันไม่พอดีเพราะขี้เกียจฉันก็ทําน้อยๆนะพอขยันมากก็ทําเกินพอดีทําเกินพอดีเพราะอยากได้เงินพระได้เงินมาก็มารักษาโรคเครียดโรคมะเร็งทุกแน่แน่ถ้าเราไม่เดินทางสายกลางอันนี้คือทางสายกลางนะ ส่วนข้อที่หนี้เนี่ยเป็นคำถามใหญ่นะแล้วก็เรามีสมาธิผ่อนคลายมีสตินะพระครูก็บังเอิญคำถามนี้กว้างมากนะชีวิตคืออะไรนะอยู่ที่เรามุมมองว่าเรามุมมองกังไนคนโบราณเขาบอกที่เราจะเกิดมาพระครูก็ได้ยินแล้วชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยาชูกำลังทีนี้ใครหรืออะไรที่ต้องต่อสู้นั่นะชีวิตคือการต่อสู้อะไรชีวิตนี้มันคือใครมันเป็นอะไรเหรอมันถึงต้องต่อสู้และศัตรูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ศัตรูของเรามันคืออะไรกันแน่ที่เราต้องสู้กับมันอันนี้คือคําคําอย่างหนึ่งนะมันมีหลายคําที่เราเคยได้ยินนะ แล้วก็คือทุกวันนี้เราสู้เพื่อสร้างอนาคตศัตรูเราคืออุปสรรคเราต้องการราบลื่นนะแล้วก็อย่างนี้สู้ตายสู้จนวันตายก็ไม่สมเด็จเพราะเหนือฟ้ายังมีฟ้าจริงๆแล้วคาว่าชีวิตคือการต่อสู้เนี่ยต้องเรารู้ก่อนชีวิตคืออะไรต้องรู้ชีวิตก่อนคืออะไร อะไรคือชีวิตนะถ้าในทางศาสนาเราเนี่ยชีวิตประกอบด้วยอะไรที่พระครูเขียนป้ายตรงตรงพระพุทธรูปสามปางประสูติตรัสรู้ปรินิพานนะคือเป็นคำคนโบราณอีสานนะ่ะเขาพูดไว้ว่าสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปนะ สี่คนหามนี่ในยะคือดินน้ำลมไฟคือธาตุสี่มันประกอบขึ้นมาจนเป็นตัวเรามันไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างนี่ที่เกิดขึ้นมาลอยๆด้วยตัวมันเองเป็นเอกเทศไม่มีนะมันประกอบด้วยสิ่งนี้บวกกับสิ่งนี้ถึงสิ่งนี้นะกรรมเก่าบวกกรรมใหม่คือคือผลของกรรมบุญเก่าบวกบุคือผลอกรรมมันมันเป็นเชื่อมโยงถึง่งตรงกับทฤษฎีที่ไอสไตน์ไป คนพบคือสัมพัทธภาพทีนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟสี่คนหามนะสี่คนนี้ก็คือดินน้ำลมไฟมันหามมันถามหามร่างกายเราตลอดเวลามันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟสามคนแห่สามคนแห่เราอยู่ภายใต้กฎของปไตยลักษ์กฎของพระไตยลักษ์ไตรนี่คือสลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจัง ทุกขังอนตัตตาไม่มีแม้แต่หนึ่งคนที่หลุดออกจากกฎเกณฑ์ตรงนี้นะมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงมันเชนนะทุกคนพยายามจะดำรงสภาวันี้ฉันไม่ต้องการเปลี่ยนเราไปฝืนความเป็นจริงของธรรมชาติเราทุกข์แน่ทุกขังนี่ไม่ได้แปลว่า Suffering ไม่ใช่แปลว่าทุกข์ซึ่งตรงข้างกับสุข ทุกขังตรงนี้คือดำลงอยู่ได้ยากมันเป็นของชั่วข่าวนะคนที่นั่งอยู่ที่นี่เรียกว่าพ่อครูเนี่ยมีไหมมีพ่อครูก็ชื่อสมมุติแล้วสิ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นของชั่วข่าวเพราะมันทุกขังมันดำลงอยู่ได้ยากนะคำว่าทุกขังตรงนี้แล้วก็มันเป็นอนัตตาพ่อครูอยู่ล้านปีได้ไหมไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายกฎเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไปตัดสรู้มาอีกกี่ล้านล้านล้านปีเนี่ยมันก็คืออย่างนี้อันนี้คือสัจธรรมความจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้นะส่วนทุกในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยโลนมัคทุกตัวนี้เปลี่ยนได้ทุกตัวนี้นี่มันเป็นตรงข้ามกับสุ ถ้าเราบรรลุนิพพานแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนจากทุกข์ตัวนี้กลายเป็นสุขอย่างยิ่งได้นะแต่มันเป็นกฎเกณฑ์ว่าไอ้ทุกขตัวนี้มันเกิดเพราะเรามีตัณหาทุกขสมุทัยที่มาของทุกคือตัวตัณหามันก็เป็นกฎเกณฑ์ความจริงอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกขตัวนี้มันต้องเกิดด้วยจากตัณหาแล้วก็เราเปลี่ยนมันจากทุกให้มันกลายเป็นสุขได้แต่ไอ้ทุกขังในพระกฎพระไตรักณเนี่ยมันเป็นสัจธรรมซึ่ง เปลี่ยนไม่ได้มันคือกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติทุกขังตัวนี้คือดำลงอยู่ได้ยากนะก็ให้เราเข้าใจว่าสามคนแห่เนี่ยทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์สามอย่างนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูไม่มีอะไรของเราสักอย่างหนึ่งไอ้ตัวฉันเธอห้ามแก่นะเธอห้ามเจ็บนะเธอห้ามตายด้วยนะฉันไม่ชอบเธอจะรักษามันไว้ ไอ้ลูกฉันนี่ฉันรักมากๆอยู่กับอยู่กับฉันตลอดนะอย่าไปไหนนะอันนั้นเราเพอ้อฝันนะเรารักษามันอยู่ตลอดการไม่ได้เราฝืนกดพระไตรลักษ์ตลอดนะสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่สองคนนี้เนี่ยคือบาปบุญบุญกับบา เป็นตัวกําหนดชีวิตเราก็คือกรรมนั่นแหละกรรมดีกรม ร, กรมชั่วสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมจตุปาตายานเป็นวิชาที่สองที่พระเจ้าตรัสลือคือยานรู้ว่าในการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมทาไม่เกิดมาอยู่ในร่างนี่ถ้าเป็นสตรีสวยๆแข็งแรงพ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนมีเงินมากมายนะไอคิวก็สูงทาไม่เกิดมาเนี่เป็นเพีย้ยนเป็นง่อยปากแหวง่ง พ่อแม่ก็ยากจนทุกข์ลำบากเห็นไหมอันนี้คือบุญบาปที่เราสร้างมาเนี่ยเป็นตัวกําหนดนี่คือสองคนนั่งแค่ใครก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้มันคือสัจธรรมส่วนตัวสุดท้ายคือหนึ่งคนพาไปหนึ่งคนพาไปคือจิตสุดท้ายที่จะออกจากร่างเนี่ยเราบันทึกสัญญาไว้อย่างไงบุญบาปอย่างไรงไงละไอ้ตัวนี้มันจะพาให้เราไปอยู่ในร่างที่ดีขึ้นหรือเลวลง นี่คือชีวิตนี่คือส่วนประกอบของชีวิตเราคําว่าชีวิตนี่คือส่วนประกอบของชีวิตนะแล้วก็ชีวิตเนื่องด้วยอะไรเมื่อมันมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วมันเนื่องด้วยอะไรถ้าทางศาสนาก็คือท่านชี้ชัดเลยว่าเราอยู่ภายใต้กรรมจิตอุตุ อุณหภูมิน่ะอุตุแล้วก็อาหารเราอยู่ภายใต้สี่อย่างนี้เราต้องมีอาหารเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไอ้ดินน้ำลมไฟตรงนี้นะแล้วก็มันเป็นไปตามกรรมที่เราเกิดมาตรงนี้แล้วก็กรรมเก่าบวกกรร ม, รรมปัจจุบันเนี่ยมันก็ส่งผลอีกนะโดยที่มีจิตเป็นตัวทำให้มีชีวิตเกิดขึ้น แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวตัวร้อนเดี๋ยวเป็นบาดเห็นไหมโลกภัยใครเจ็บก็ เ, เนื่องจากอุณหภูมิอุตุตรงนี้นะทีนี้คําว่าชีวิตปัจจุบันชีวิตปัจจุบันถ้าแปลง่ายๆก็คือว่าความเป็นความอยู่มันยังหายใจอยู่มันยังไม่ตายเรีวยกว่าความมีชีวิตมันยังอยู่ชีวิตปัจจุบันนะ ความเป็นความอยู่ยังไม่ตายความมีชีวิตอยู่ถ้าตายแล้วมันไม่หายใจเนี่ยความชีวิตก็หมดไปเอาไปเผามันก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือก็เป็นธาตุดินมันกลับคืนสู่ดินน้าลงไฟของมันความมีชีวิตก็หายไปนะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างแม้กระทั่งจุลินทรีย์สัตว์เซลล์เดียวอะไรก็ช่างมันก็มีวิญญาณอยู่ในนั้นไม่งั้นความมีชีวิตไม่เกิดขึ้น ทีนี้ชีวิตหลังความตายละ่ะชีวิตเราไม่แค่แค่นี้นะไม่ใช่ตายแล้วก็จบนะมันมีชีวิตหลังความตายที่เรียกว่าชีวิตในวัฏฏะสงสารที่บอกว่าเรายังเวียนว่าวตายเกิดบางคนเศร้ามากผิดหวังมากอันนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้หลังใจกูตายดีกว่าวะนะกูจะฆ่าตัวตายแค่คิดเฉยๆก็เป็นมโนกรรมละถ้าทําจริงๆเนี่ย คนที่ฆ่าคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นคนชั่วฆ่าสัตว์โหดร้ายมากแต่คนที่ฆ่าตัวเองเนี่ยเลวยิ่งกว่ามากๆเลยต่อไปชาติหน้าเกิดเขาจะไม่ให้ร่างกายเป็นมนุษย์อีกแล้ววันที่เราตายเราคิดว่าเราจบนะวันที่เราตายเนี่ยเป็นวันเกิดใหม่ของจิตทันทีเลยนะมันเกิดเป็นเปรตอสุรลากายเปิดเป็น วิญญาณล่องลอยเกิดเป็นสัตว์เดละแชาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นวันเกิดใหม่ทันทีและไอโปรแกรมสุดท้ายน่ยจิตสุดท้ายน่จิตหนึ่งคนพาไปนั่นแหละมันบันทึกโปรแกรมสุดท้ายน่ไอตัวนั้นเป็นตัวกันหนดให้เราอยู่ในร่างที่ดีขึ้นเรือเลวลงญี่ปุ่นเขาเก่งมากมีวินัยแต่ เขาเข้าไม่ถึงปัญญาตรงนี้ไม่พอใจกลัวก็ฆ่าตัวตายแพ้สงครามฆ่าตัวตายเขาแสดงถึงความรับผิดชอบในทางโลกเข้าใจว่ายิ่งใหญ่ในทางธรรมเนี่ยง่บัตซศกกว่าจะได้ชีวิตร่างกายนี้เนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐนี่มาไม่รู้รอคิวไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะเทวดาก็รอเกิดแทนเรานะเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุกอะ เทวดาไม่มีร่างกายมันเจริญวิปัสนาไม่ได้เจริญมัจิตไม่ได้เมื่อเขาให้ร่างเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรายังไม่ใช้มันทำประโยชน์นะเราไปฆ่ามันอีกเนี่ยอันนี้คือคนคนโง่นะชีวิตเราไม่ใช่แค่ชาตินี้อันนี้ชีวิตในวัฏฏะสงสารนะทีนี้เมื่อถึงพูดทิงชีวิตแล้วเนี่ยบังเอิญพ่อครูเคยมีข้อมูลนะบังเอิญเคยไปอ่าน บทกวีของนักปราชญ์โบราณคนหนึ่งเขาเป็นกวีด้วยเขาสะท้อนภาษาที่สวยงามแล้วก็สะท้อนให้เห็นเรื่องจิตวิญญาณนะถ้าปฏิบัติอย่างเราเราเข้าถึงเราจะเข้าใจหมดเลยว่ามันใช่นะเพราะครูกไ็ไม่ได้เติมแต่งแต่ว่าย่อมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันมันรัดสั้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าสั้นเกินไปพวกเราจะไม่เข้าใจมัน นะก็อันนี้ก็เหมือนว่าอันนี้เป็นบุคลาที่ฐานเรายกตัวอย่างว่าบุคคลหนึ่งอ่ะเขาเคยกล่าวมานะแล้วก็ในข่างที่เขากล่าวเขาก็ยกตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เป็นเป็นบุคลาที่ฐานเหมือนกันนะก็ให้เราเข้าใจแล้วก็เราจะเข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่นะว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะต้องฟังดีๆนะโดยเฉพาะคนซึ่งคิดแบบวิทยาศาสตร์ นะก็พก่อครูเริ่มต้นจากที่นี่นะนักปราชญ์โบราณกล่าวไว้ว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านนะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นอะไรที่เกิดเราพ่อครูพูดผิดมากเดี๋ยวก็จะหาว่าพค่ครูจะจะนั่นเอาเป็นว่านักปราชญ์โบราณกล่าวไว้ว่าสัตว์ต่างๆล้วนเกิดมาสมบูรณ์แบบแล้วตั้งแต่แรกเริ่มตอนที่มันเกิด กับตอนที่มันตายก็คล้ายๆกันไม่มีพัฒนาการใดๆระหว่างการเกิดกับการตายของมันชีวิตมันเดินไปบนละนาบเดียวมันไม่มีการเปลี่ยนผ่านใดๆการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของมัน พวกมันเคลื่อนที่ไปตามแนวลาบพวกมันไม่ได้พัฒนาในแนวตั้งมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นพัฒนาในแนวตั้งได้สัตว์ดิแรชันมันก็เวียนว่ายตายเกิดแนวลน่าเนี่ยวันเกิดวันตายมันเหมือนกันเป็นเกมเดียวกันแต่มนุษย์เราเป็นสัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นคนที่จะฆ่าตัวตายฟังตรงนี้นะนะ เราจะพลาดโอกาสนี่บางทีนี่ชีวิตในวัฏฏะสงสารพลาดโอกาสเลยนะเราพัฒนาในแนวตั้งได้วิวัฒนาการเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในคนวิวัฒนาการเป็นจิตวิญญาณอันแท้จริงของคนใครก็ตามที่ไม่สํานึกในสิ่งนี้จะไม่มีทางเติมเต็มใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองนั้นสมบูรณ์แบบแล้วฉันพอใจแค่นี้ ฉันรักษามันไว้นะก็จะไม่มีพัฒนาการหากเป็นมเมล็ดพันธุ์ก็จะยังคงเป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อไปไม่ได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่มีโอกาสได้รู้ซึ้งถึงความสุขในฤดูใบไม้ผลิในแสงแดดและสายฝนและไม่รู้ซึ้งถึงความปิติยินดีของการที่ได้ผลิดอก ออกมามากมายนับล้านล้านดอกว่ามันเป็นเช่นไรการเคลื่อนไปในแนวราบทําให้ท่านมีชีวิตอยู่ไปวันวันอย่างไร้จิตวิญญาณเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางแนวดิ่งวิ่งตรงมาหาท่านตอนนั้นแหละที่ท่านจะได้มีสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณเกิดขึ้น จะขอยกตัวอย่างเทียบเคียงกับเรื่องพัฒนาการของผีเสือ้อนะเขาเป็นกวีนะจิตเขาเข้าถึงเพราะครูอ่านแล้วรู้แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นกวีด้วยเขาสามารถถ่ายทอดภาษาที่ง่ายๆสวยงามนะคนเราเกิดมาเหมือนกับเป็นหนอนตัวอ่อนนะของผีเสือ้อ ผู้ที่โชคร้ายอาจจะตายในขณะที่เป็นหนอนตัวอ่อนมีน้อยมากที่กลายเป็นหนอนผีเสื้อหนอนตัวอ่อนจะอยู่กับที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมันยังติดอยู่กับที่ติดอยู่กับบางสภาวะมีคนจำนวนน้อยมากที่ได้เติบโตต่อไปจนกลายเป็นหนอนผีเสื้อ นอนผีเสื้อจะเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มมีพลวัตนอนตัวอ่อนจะอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนนอนผีเสื้อจะเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวเป็นการกระตุ้นชีวิตแต่ถึงอย่างไรการเคลื่อนไหวของนอนผีเสื้อก็ยังเป็นไปในลนาบเดิมเหมือนกันนะเป็นไปในแนวลาบ ยังอยู่ในมิติเดิมมีน้อยคนมากๆที่จะเป็นอย่างพระพุทธองค์พระเยซูและพระริยเจ้าทั้งหลายที่สามารถก้าวกระโดดอย่างเต็มที่มีการพัฒนาในแนวตั้งจนกระทั่งเปลี่ยนไปเป็นผีเสื้อนอนตัวอ่อนจะอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่นอนผีเสื้อจะรู้จากการเคลื่อนไหวส่วนผีเสื้อนั้นสามารถบินได้มันเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนทำให้มันมีโอกาสเรียนรู้เรื่องความสูงการพัฒนาปีกขึ้นมาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมันการที่ท่านไร้ซึ่งจิตวิญญาณแสดงว่า ปรากฏการพัฒนาปีกนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านสัจจะมักจะมาปรากฏผ่านสามสถานคือหนึ่งขั้นตอนแรกคือการเก็บเกี่ยวกักตุนนะการเก็บตุนนะการเก็บตุนประการที่สองก็คือการเป็นเอกเทศ ประการที่สคือการสร้างสรรค์มันเป็นสาระดับนะระดับแรกคือการเก็บตุนระดับที่สองคือการเป็นเอกเทศ ค, คืออิสระระดับที่สาการสร้างสรรค์าการเก็บตุนถือเป็นหน้าที่ของหนอนตัวอ่อนสิ่งที่มันจำเป็นต้องทำมีอย่างเดียวคือย่อยและดูดซึมอาหารมันเป็นการเตรียมตัว พร้อมสู่การเป็นหนอนผีเสื้อต่อไปมันเป็นการกักตุนพลังเพราะการเคลื่อนไหวต้องใช้พลังเมื่อเป็นหนอนผีเสื้อแล้วมันต้องเคลื่อนไหวมันต้องใช้พลังนะแล้วสภาวะที่สองก็จะเริ่มขึ้นมันคือการเป็นเอกเทศไม่ขึ้นกับใคร นอนตัวอ่อนจะกลายสภาพไปมันจะไม่อยู่ในที่ที่เดียวอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่มันจะเริ่มการสำรวจเป็นเวลาที่มันจะเริ่มผจญภัยชีวิตจริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผ่านการเคลื่อนไหวมันได้เป็นตัวของตัวเองแล้วตอนที่มันเป็นนอนตัวอ่อนนั้น มันต้องพึ่งพาอาศัยมันเป็นนักโทษมันถูกกล้ามโซ่แต่หนอนผีเสื้อได้ทำลายโซ่เริ่มต้นการเคลื่อนไหวน้ําแข็งที่จับอยู่เริ่มละลายมันไม่ได้ถูกแช่แข็งอีกต่อไปนอนตัวอ่อนเป็นสถานภาพที่ถูกแช่แข็งหนอนผีเสื้อแสดงการเคลื่อนไหวมันเหมือนกับการ กระแสน้าที่ไหลไปเรื่อยๆแ ล, แล้วสภาวะที่สามก็มาถึงมันคือสวาภาวะของการสร้างสรรค์ความเป็นเอกเทศที่เกิดขึ้นภายในตัวมันนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักการที่ท่านเป็นเอกเทศไม่ได้หมายความว่าท่านได้เติมเต็มคือไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะแค่เคลื่อนไหวได้มันดีที่ท่านได้ออกมาจากคุก แต่เพื่ออะไรกันละ่ะท่านได้เป็นตัวของตัวเองเพื่ออะไรมีอิสรภาพเพื่ออะไรอันนี้นเขาเน้นนะโปรดอย่าลืมว่าอิสรภาพนั้นมีสองด้านด้านแรกคืออิสรภาพจากจากอะไรจากอะไรนะและด้านที่สองอิสรภาพเพื่ออะไรคนจำนวนมากมีอิสรภาพแค่แบบแรก เท่านั้นคืออิสรภาพจากพ่อแม่อิสรภาพจากโบส์อิสรภาพจากองค์กรอิสรภาพจากพันธนาการนะเหมือนเราติดคุกเขาก็ปล่อยหล อ, อกมาอิสรภาพจากคุกนะทั้งหลายทั้งปวงแต่เพื่ออะไรกันละ่ะมันเป็นอิสรภาพทางด้านลบหากท่านรู้จักเพียงแค่อิสรภาพจากอะไร เท่ากับว่าท่านยังไม่ได้รู้จักอิสรภาพที่แท้จริงท่านรู้จักแค่ด้านด้านลบของมันเท่านั้นในทางด้านบวกคืออิสรภาพเพื่อที่จะสร้างสรรค์อิสรภาพที่เพื่อจะเป็นอะไรบางอย่างอิสรภาพที่จะแสดงความคิดเห็นที่จะร้องเพลง ที่จะเริงรังในแบบที่ท่านต้องการนั่นก็คือการเข้าสู่สภาวะที่สามสภาวะแห่งการสร้างสรรค์ น, นอนผีเสื้อก็จะเริ่มเข้าสู่ปรากฏการของการพัฒนาปีกมันได้เข้าสู่การสำรวจค้นหาค้นพบและได้เพิ่มลด ได้ลิ้มรสกับความหวานของการสร้างสรรค์มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในคาบของผีเสื้อจะมีก็แต่คนที่สร้างสรรค์เท่านั้นที่มีความงดงามผู้ที่สร้างสรรค์เท่านั้นที่จะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของชีวิตพวกเขามีดวงตาที่พร้อมจะมองดูมีดวงตาที่พร้อมจะมองดูนะ ทุวกวันนี้เรามีตาแต่เราไม่มองเพราะไม่ใช่หน้าที่เราเราก็ไม่เห็นอะไรเลยแม้กระทั่งลูกตัวเองเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะมีหูที่จะพร้อมจะรับฟังแล้วมีหัวใจที่จะเปิดกว้างพวกเขาจะมีชีวิตที่แท้จริงเป็นชีวิตที่มีชีวาประดุดคบเพลิงที่โชวอช่วงชัชวาลมันเป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังอย่างสมบูรณ์ โปรดฟังอีกครั้งช่วงที่หนึ่งนั้นถูกกำหนดโดยสังคมสังคมกติกาสังคมเรียนจบปริญญาเอกก็อยู่ภายใต้กติกาสังคมเป็นแค่หนอนตัวอ่อนช่วงที่สองเป็นช่วงที่ปัดเจ ก, กชนทำให้ตนเองเป็นช่วงที่เราทำให้กับตัวเองเกิดอิสรภาพนะปัดเจ ก, กชน แต่ช่วงที่หนึ่งเนี่ยเราอยู่ภายใต้อานัดของสังคมวิชาการช่วงที่สามจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อหนอนผีเสื้อพร้อมที่จะเป็นผีเสื้อแล้วเท่านั้นมันเป็นไปได้อย่างไรที่หนอนผีเสื้อคิดว่าตัวมันจะบินได้ด้วยตัวเองหรือคิดว่าตัวมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีปีก มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แม้แต่ในความคิดมันช่างดูเหลวไหลและไม่สมเหตุสมผลเลยนอนผีเสื้อถึงจะรู้ว่าตัวมันเคลื่อนไหวได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องที่บอกว่ามันจะบินได้นั้นมันเป็นสิ่งที่ฟังดูแลเหลือเชื่อเหลือเกิน ในขณะที่ผีเสื้อกําลังแนะนําแล้วบอกกับหนอนผีเสื้อว่าพวกมันนั้นสามารถจะบินได้พวกหนอนผีเสื้อกับคัดค้านและพูดว่าไม่หรอกมันอาจจะเป็นไปได้สําหรับพวกท่านแต่มันเป็นไปไม่ได้สําหรับพวกเราท่านเป็นผีเสื้อส่วนพวกเราเป็นเพียงแค่หนอนเท่านั้นพวกเรา ทำได้ก็แต่การคืบคลานเท่านั้นสิ่งที่รู้จักแต่การคลานจะสามารถจินตนาการเรื่องการบินได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่อยู่คนละมิติกันมันเป็นมิติที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันเป็นมิติในแนวตั้งการไปสู่ช่วงที่สามท่านต้องการอาจารย์ อาจารย์อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระคริสหรือผีเสื้อที่มีปีกมาแนะนำท่านทำให้ท่านใฝ่ฝันถึงการมีปีกด้วยการถ่ายทอดจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์มีปีกเท่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นท่านจะฝันถึงสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้จักเลยได้อย่างไรท่านคิดหรือว่าชนเผ่ามนุษย์โบราณที่อาศัยอยู่ที่ ไหนสักแห่งหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัยจะสามารถฝันถึงรถยนต์ได้หากพวกเขาไม่เคยเห็นมันพวกเขาจะไม่สามารถฝันเกี่ยวกับมันได้เลยความฝันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อท่านได้เห็นสิ่งนั้นเมื่อท่านได้เห็นพระคริสต์พระพุทธเจ้าหรือท่านโพธิธรรมและท่าน รู้ว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นถึงคนเหล่านั้นจะดูเหมือนกับท่านแต่ท่านยังไม่เหมือนพวกเขาทั้งหมดพวกเขามีรูปร่างโครงสร้างร่างกายเช่นเดียวกับท่านแต่มีบางสิ่งที่ท่านไม่รู้จักได้ทะลุผ่านชีวิตของพวกเขาสิ่งที่อยู่ไกลโพ้นได้เข้ามาในชีวิต ของพวกเขามันเป็นสิ่งที่ท่านก็สามารถจะสัมผัสได้เช่นกันถ้าท่านเข้าใกล้พวกเขามากพอและด้วยหัวใจที่เปิดกว้างด้วยความศรัทธาความเข้าใจท่านก็อาจได้เห็นท้องฟ้าภายในที่อยู่ในใจของพวกเขาและเมื่อท่านได้เห็นท้องฟ้าภายในนั้นแม้เพียงครั้งเดียวท่านก็จะเริ่มฝันถึงมัน ความปรารถนาอันแรงกล้าจะเกิดขึ้นภายในตัวท่านท่านเริ่มต้องการที่จะผ่านประสบการณ์ที่มีปีกนั้นบ้างนะไอคำนี้ก็ที่พวกครูเคยบอกว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมก็คือถ้าเราเข้าไปเห็นทองฟ้าข้างในนั่นล่ละคือเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรคนะ แล้วก็ถ้าท่านเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระคิตอะไรเนี่ยนะเพราะท่านจากไปแล้วจะเห็นได้ยังไงอันนี้คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตนะเราเห็นธรรมเราเห็นจิตจิตคือสัจธรรมเป็นความจริงอย่างเดียวที่ในร่างเราถ้าเราเห็นจิตปุ๊บเนี่ยนะแล้วจิตเดิมเขาจะถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆเราก็เข้าใจพระพุทธเจ้า เข้าใจสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้เข้าใจสิ่งที่พระ อ, องค์อยากให้เรารู้สิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้นะก็นอนตัวอ่อนนั้นเขามีหน้าที่การเก็บตุนเปรียบเท่ากับเราฝึกสมถะกรรมาฐานสะสมพลังนะส่วนนอนผีเสื้อนั้นเขาเป็นเอกเทศถ้าพวกเราเป็นไม่เป็นเอกเทศเนี่ยเราจะทิ้งบ้านช่องทิ้งวัฒนธรรมมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ อย่างน้อยเราก็อิสระระดับหนึ่งเรามีความกล้าหาญ ร, ระดับหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังเจริญวิปัสนากำลังค้นหาค้นพบนะส่วนขั้นตอนที่สามคือเราเป็นผีเสื้อแล้วเนี่ยนะทุกอย่างที่เราทามันเป็นการสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาอันนี้เรียกอันแรกคือสมถะอันที่สองคือวิปัสนาอันที่สามคือวีมุตคือความหลุดพน้นนะ อันนี้แหะเราจะลิ้มรสความสุขที่แท้จริงอันนี้พรอครูเติมให้ให้เข้าใจสิ่งที่เขาพูดมาทีนี้สรุปสุดท้ายนะจริงๆแล้วนี่มันมีมากกว่านี้แต่พรอครูเอาเนื้อหาที่ให้เราจับต้องได้ว่าเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่คน 99% ยังเป็นเช่นเดียวกับนอนตัวอ่อนตกใจไหม 99% เนะก็พ okay. so ุกเจ้าบอกดอกบัวสี่เหล่านั่นแหละเหล่าที่มันพ้นน้ำมันไม่ถึง 1% อร์ไม่ถึงหนึ่งเอร์ด้วยหนึ่งในร้อยก็มีอาจจะหนึ่งในล้านมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่คน 99% ยังเป็นเช่นเดียวกับหนอนตัวอ่อนนั่นเป็นสาเหตุของความทุกข์มากมายเพราะการไร้ซึ่ง ความเบิกบานถึงแม้ว่าท่านจะค้นหาความสุขไปเรื่อยๆแต่ท่านก็ไม่มีวันที่จะพบมันเพราะความสุขนั้นมันไม่ได้อยู่ข้างนอกท่านจะต้องกลับไปเป็นเด็กเป็นการเข้าสู่ช่วงที่สามท่านจะไม่ได้รู้จักความสุขที่แท้จริงจนกว่าท่านจะแปลเปลี่ยนไปเป็นผีเสื้อ ความสุขไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างนอกมันเป็นวิสัยทัศน์ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวท่านมันจะเป็นไปได้เฉพาะในสภาวะช่วงที่สามเท่านั้นทุกคนต้องกล้าเป็นผีเสือ้อเราจะกล้าบินไหมเราไม่เคยบินเราจะคิดว่าเราจะบินได้ไหม เห็นมถ้าเราข้อมูลต่างๆเรียนเยอะแล้วก็คิดต่างข้อมูลนั้นข้อมูลไม่ได้บอกเลยว่าเราบินได้นั่นแหละความรู้ยุคนี้เราได้แค่นั้นเห็นไมบทความนี้กวีนี้นี่สวยงามมากนะอยู่ที่ว่าเมื่อกี้เราพูดเร็วๆเราเข้าใจแค่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยว พ, พ่อครูให้ให้แก้วเขาเขาปินค่อยๆนั่งอ่านดูนะแล้วก็ดูว่าเราทาอะไรอยู่ ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนเราอยู่ในช่วงไหนช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสามบางคนอยู่ในระหว่างช่วงหนึ่งกับช่วงสองกำลังดึงกันอยู่บางคนแม้กระทั่งมาบวชนะมาเป็นนักบวชแล้วก็ยังเพื่ออยู่เพื่อขาดเพื่อหลือยังไม่ตั้งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่มีพลังไม่มีทาง เขาก็เป็นดักแด้อยู่เหมือนเก่าเนาะเป็นดักแด่อยู่เหมือนเก่าเนาะแต่ทีนี้ถ้าดักแด้ตัวนี้มันไม่หยุดดําเนินไปแม้กระทั่งตอนมันเป็นหนอนตัวอ่อนมันก็ทําหน้าที่มันนะหน้าที่มันอย่างเดียวเท่านั้นคือกินย่อยสลายอาหารเพื่อสะสมพลังเพื่อสะสมพลังการฝึกสมรรคาของทั้งก็เป็นสะสมพลังแต่ถ้าสะสมพลังอยู่นั้นไม่ก้าวไปทั้งหน้าเลยนะ มันก็เป็นนอนผีเสื้อไม่ได้ที่มันมันเคลื่อนไหวได้มันเป็นเอกเทศต้องก้าวไปสู่วิปัสสนาทีนี้ถ้านอนผีเสื้อมันทาหน้าที่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็พัฒนามันก็ออกจากออกปีกขึ้นมาได้ได้สักวันหนึ่งมันก็เป็นผีเสือ้อแต่ถ้าเราไม่ตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทาอยู่ก้าากลัวๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นนอนตัวอ่อนเรียกว่าดักแด้ ไม่ใช่ตลอดชีวิตนะหลายชีวิตแล้วเพรากะกลกก้ากกลัวทีนี้ถ้าคนคนหนึ่งเขาไม่เคยเป็นผีเสือ้อไม่เคยบินเขาจะอ้างคำสอนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของจริงเขาไม่เคยลิ้มรสว่า พัฒนาแนวตั้งเป็นยังไงเขาไม่เคยบินไปข้างบนเลยเขาก็อ้างอันนั้นก็เป็นดักแดงเหมือนเก่าอยู่ภายใต้กอบของสังคมความรู้แบบภาษาวิชาการเขาก็จะพลาดโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐพวกเราไม่ใช่ธรรมดานะมานั่งอยู่ที่นี่นะถ้าเราไม่มีบุญมหาศาลเราไม่ปฏิบัติมา มากมายเราก็มาได้เกิดในร่างมนุษย์ผู้เปริฐแล้วมาเจอคาสอนที่ยิ่งใหญ่ของพุทธเจ้าแล้วก็มาเจอไอ้แนวทางที่มันเข้าไปจิตตรงๆเลยเนี่ยนะไม่ใช่ใครจะเจอก็ได้มันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยๆนะไอเราเรียนรู้ข้างโลกก็เรียนไปลูกไอวิทยที่พวกลูกๆไปเรียนหนังสือก็เรียนไปมันเป็นหน้าที่เราอย่างหนึง่ง ไอการเรียนนั้นมันเป็นเครื่องมือในการฝึกให้เรามีความรับผิดชอบนะไอวิชาการเหล่านั้นก็เรียนไปอย่างนั้นแหละนะแต่มันมันเป็นเครื่องมือทําให้เรามีความรับผิดชอบรู้หน้าที่นะมีมารยาทมีสํานึกแค่นั้นเองนะแต่ปัญญามันเกิดขึ้นจริงๆเราต้องเข้าไปในจิตเออวันนี้เดี๋ยวแก้วทิพย์รายงานพรอครู ข่าวสารมาจากกรุงเทพน้องดีจังถามมาถามผ่านแก้วทิพย์บอกช่วยกราบถามพ่อครูให้หน่อยหนึ่งเขาถามอะไรนะเขาบอกการที่จะไปสู่นิพพานไปยังไงเล็กอายุกี่ขวบนะห้าขวบเจ็ดขวบพ่อครูก็บอก แก้วบอกแกหลับตาเข้าไปในจิตอยู่ที่นี่เขาถามบอกครูคนเราต้องตายทุกคนเหรอมันถามเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผู้ใหญ่อายุเก้าสิบยังถามไม่เป็นนี่เขาเขาติดตาเขาถามบอกว่าการจะไปนิพพานนั่นไปแบบไหนพระครูบอกให้เขาหลับตาแล้วเข้าไปในจิตสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิต นะพอพวกผู้ครูพูดคำนี้เมื่อ26ปีก่อนมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นไม่มีหรอกซีดีมีพวกไอเทปคาสเซต์ในรุ่นเก่าๆนะั่นนะมีคุณลุงคนหนึ่งเขาเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงศึกษากเกษียณแล้วมีหน้าที่ไปแสดงธรรมเขาได้ยินแล้วเขาก็กลัวเพราะครูจะสอนผิดเขาก็บินมาที่อุบลเข้ามาในศูนย์ เขาก็บอกว่าเขามีอะไรจะแลกเปลี่ยนเพราะกลัวเชิญเชิญคุณพ่อไม่มีทิฏฐิมานะนะมีอะไรแลกเปลี่ยนเขาก็ตรงมาเลยเพราะครูพูดได้อย่างไงว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตผมอ่านพระไตรปิฎกเนี่สวรรค์มีกี่ชั้นกี่ชั้นนรกมีกี่ชั้ น, น ก, กี่ชั้นนะเนี่ยก่อจะมานี่ไปคุยกับไปสนทนาธรรมกับพระที่วัดโพละเปลี่นเก้ายท่านก็ยืนยันว่าสวรรค์มีกี่ชั้นนรกมีกี่ชั้น พวกคุมไม่ได้บอกว่าสวรรค์มันไม่มีนรกไม่มีแต่มันไม่ใช่เป็นแดนแบบนั้นเป็นชั้นๆเป็นตึกเป็นอาคารจิตมันเป็นทิฟจะเอาใครไปต้มเหรือจะเอาใครไปขึ้นต้นนิ้วเหรือเขาพยายามสะท้อนให้เราเห็นว่าเราทุกข์เหมือนถูกต้มทุกข์เหมือนขึ้นต้นนิ้วเราก็เห็นเออมันทุกข์อย่างเจ้าชายจะประสูดออกมาปุ๊บเขา เขาก็เล่ากันว่าเขียนภาพว่าพระองค์ทรงดำเนินได้เจ็ดก้ามีดอกบวงบอลลองรับด้วยเพื่อนฝรั่งพ่อครูนอกศาสนามันด่าด้วยบอกนิทานปลัมปรามันไม่เชื่อพ่อครกูก็ไม่ได้คิดว่าเดินได้จริงหรือเปล่าจริงจริงแล้ววัวใ น, นเกิดมาวันแรกก็เดินได้ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรแต่เขาพยายามสะท้อนให้เห็นความพิเศษของจิตดวงนี้ซึ่งมนุษย์ทั่วไปทําไม่ได้ให้เห็นความพิเศษของจิตดวงนั้น ยังสวรรค์ของฝรั่งนี่เขาก็ว่าดออกมาไม่เหมือนของไทยนะบ้านพักของเทวดาเขาไม่เหมือนไทยแต่เราสัมผัสได้ว่าไอ้คนพวกนี้มันมีความสุขมันเบามันลอยอยู่ข้างบนเห็นไหมนรกฝรั่งกับนรกไทยว่าดออกมาไม่เหมือนกันนะแต่เราสัมผัสได้ว่าไอ้พวกนี้มันทุกข์นะนรกไทยทุกข์เหมือนถูกต้มเหมือนขึ้นต้นิ้วมีครูบาอาจารย์มาที่นี่ว่าเขานั่งกรรมาฐานเขาลงนรกเขาเห็นจริงๆ หลวงปู่ดุลหลวงปู่ล่าก็พูดเหมือนกันว่าเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิตเขาสร้างนิมิตเพื่อให้เราสัมผัสอารมณ์นั้นได้ว่ามันทุกข์แบบนั้นยืนยันว่าเห็นจริงๆเห็นจริงๆเราเห็นจริงนั่งกรรมฐานอยู่น้ำตาไหลออกมาเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาปิติมากจาคําพูดพระครูได้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเฮ้ยเราเห็นตถาคตแล้วเราเห็นธรรมแล้วเราบรรลุธรรมแล้ว ปพมปิติบอกหมดเวลาแล้วไม่ยอมออกกลัวผธ้ทีเจ้าหายพ่ออกมากาพพ่อครัวเล้พอครฟังพวกว่าผู้ทีเจ้าเป็นแบบไหนนั่นเหมือนพระพุทธรูปเลยบอกเคยเห็นเจ้าชายศิลธถามไหมไม่กล้าเบี่ยงพูท้ทเจ้าทิงเรื่องอะไรหามาแทบแย่โดนหลอกละเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริง แต่อารมณ์ที่เราสัมผัสน่ยจริงเขาสร้างนิมิตมาเพื่อให้จิตปัจจุบันเนี่ยเข้าใจอารมณ์นั้นทีนี้คุณลุงก็บอกว่ามันยังไม่เคลียร์ก็ถ า, ถามว่าเรียกคุณพ่อหรือคุณลุงก็ไปเอาแรกนะั้นก็ได้น่ะเขารุ่นพ่อพรอครูนั่นแหละคุณพ่อรู้จักเจ้าชายชิตา ถ, ถาไหมบอกรู้เพราะแสดงธรรมมา เชื่อไม่ผู้เจ้าตัดสรุปทำเป็นสัมมาสัมพุทเจ้าในวันวิสาขาบูชาบอกเชื่อวินาทีนั้นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมถูกสภาว่นั้นเรียกว่านิพพานจะไหมใช่ทําไมจิตดตวงนั้นไม่ไปอยู่เมืองนิพพานละ่ะทำไมยังอยู่ในร่างเจ้าชายธธาเศรษฐาเผยแผ่ 45, สี่สิบห้าพรรษาเห็นได้ อ, อย่างนิพพานอยู่ตรงไหนท่านลงไปการาบพ่อครัวเลยเขาบอกรู้แล้ว อ่านหนังสือมันรู้แค่ทฤษฎีมันไม่ได้เรื่องผิดวิชาการมันเป็นกลางๆควมรู้เป็นกลางๆแต่เข้าใจวิชาการผิดมันเป็นอวิชาแล้วตัวเองมีความรู้ผิดไม่พอแล้วไปพาคนอื่นหลงด้วยแล้วมันจะไปไหนล่ะก็ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตะถากดเริ่มจากเห็นธรรมเบื้องต้นคือจิตเห็นจิตคือมรรคขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิมรรค เราก็เรียนรู้กับจิตเดิมเราเนี่ยจิตเราก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งเขามีประสบการณ์เยอะมากผ่านมาหลายพบหลายชาติทําไมเขาจะไม่มีปัญญาเมื่อเราเรียนรู้กับเขาเนี่ยเราก็เข้าใจพุทธเจ้าสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยก็สิ่งพุทธเจ้าเห็นนะ่ยธรรมะมันอันเดียวกันอีจีล้านปีมันก็เหมือนเก่าเราก็เห็นพุทธเจ้าแล้วไงทุกดวงจิตมีพุทธจิตอยู่แล้วไม่ต้องไปเดินทางไปที่อินเดียภูเขาฮิมาลัยนะ ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือสัจธรรมคือความจริงนะโฟใจหลิงซันภาษาจีนกลางบอกโฟใจหลิงซานพระอยู่ในภูเขาจิตทุกคนมีพุทธจิตอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปเข้าไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์เราอยู่ข้างในแต่อย่าไปหลงมันนะอย่าไปสุดตรงข้างในนะ หลายคนเข้าไปแล้วสนุกดีก็ไปติดมันติดอภิญญานั่นก็ไปชี้คนนั้นคนนี้เนี่ยไม่ใช่ทางที่ต้องดำเนินอย่างนั้นนะ <c oughs> เราเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงเอาอารมณ์นั้นน่ะเป็นที่ตั้งแห่งการรู้เท่าทันมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นผ่านไปผ่านไปไม่ใช่ไปหลงติดมันติดมันไม่พอแล้วก็พาคนอื่นหลงด้วยไป ชี้ทางเขาผิดผิดมันไม่ใช่เรื่องนั้นเอาตัวเองให้รอดนะให้เป็นผีเสื้อก่อนนะแค่เข้าไปในจิตนะเราก็อยู่ในช่วงที่กําลังเป็นหนอนผีเสื้อกำลังเรียนรู้อยู่ก็เรียนรู้ไปอย่าไปหลงมันนะอย่าไปสุดโต่งข้างในข้างนอกเราสุดโต่งอะไร ข้างนอกเราก็สุดโต่งเรื่องความคิดคิดปรุงแต่งคิดไม่ไมันไม่บรญญะบรรยัญญงพอเข้าไปในจิตก็ไปติดอารมณ์นั้นยิ่งไปเจออารมณ์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นโอ้ถ้ามันไม่ยิ่งใหญ่มันก็หลอกเราไม่ได้เห็นไหมเราเข้าใจว่าโอ้เรายิ่งใหญ่รู้มากกว่าคนอื่นนะยังรู้มากกว่าคนอื่นรู้น้อยกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นอันนี้มันเป็นทิฏฐิมานะทั้งนั้นแหละเป็นอัตตานะ มันไม่เหมือนกันนะต่างคนต่างปฏิบัตินะอัตหิอัตโนนาโถตนแล่ย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนนะก็พ่อคูไม่ได้ไปสูนยกรุงเทพนานแล้วก็เคยบอกน้หานนาหารอย่าไปส่งเสริมพูดเรื่องสภาวธรรมกันมากเดี๋ยวข้อหาว่าพวกเราอวดอุตริมนุษยธรรมเขายิ่งปฏิตรูปศาสนาอยู่ต่างคนต่างปฏิบัตินะ เราเห็นอะไรก็เบี่ยงทิ้งไม่ใช่ไปติดมันไม่ใช่ไปหลงมันแล้วก็จะยัดให้เย็ดคนอื่นให้เห็นเหมือนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเรายังเข้าไม่ถึงคำว่านาน า, นาจิตตังนะเราเห็นไม่ต้องพิจารณาด้วยมันจริงไม่จริงเบี่ยงทิ้งไม่มีความจริงแม้แต่หนึ่งอย่างมันเป็นอุปทานทั้งนั้นแหละเรามีหน้าที่ขัดเก่ามันให้ผ่องใส ไม่ต้องพิจารณาว่าไอเม็ดนี่มันเปื้อนเพราะอะไรไม่ต้องเอาไปเข้าห้องแลบวิจัยแล้วเอาออกอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็สะอาดแล้วก็เกิดปัญญาอย่างยิ่งว่าอ๋อความสะอาดมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมจิตเดิมแท้เป็นประภัสสอนแค่ความสกปรกออกมันก็สะอาดไม่ต้องเอาตัวสะอาดมาใส่แต่จะไปหลงความสะอาดนั้นบางทีความสะอาดที่เราหลงมันมันยังไม่สะอาดจริงๆมันสะอาดกวัวเก่าเท่านั้นเองแต่ยังไม่ใช่ของจริงนะอย่าไปติดมันนะ เราเสียเวลากับอภิญญาเหล่านี้มาหลายชาติแล้วเราเกิดมาเพื่อล้างมันออกเรียนรู้กับมันก็วางไม่ใช่ไปหลงมันใหญ่แค่ไหนก็เหวียมทิง้งเรายิ่งใหญ่มามากมายแล้วเราถึงได้มาเกิดอีกเรามาปฏิบัติเพื่อจะไม่เป็นอะไรเลยวินาทีที่ผู้เจ้าตัดสู้รรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขา บ, บูชา เป็นวินาทีที่ท้ายิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลสาหรับความรู้สึกพ่อครูเป็นวินาทีที่พระองค์ไม่เหลืออะไรเลยความเป็นเจ้าชายสิทธิษ์ถูกฆ่าตายไปแล้วตัดสรุปเวลานั้นพู้เจ้าเกิดขึ้นในเวลานั้นเจ้าชายสิทธิษฐตายในเวลานั้นเป็นเวลาเดียวกันนั่นแหละเป็นวินาทีที่พระองค์ยิ่งใหญ่มากคือเข้าสู่ความว่างมันใหญ่จนล้อมลวงไม่ได้ จั ก, กรวาลหลายๆจั ก, กรวาลลอยทุบ ป, ป่องทุบ ป, ป่องอยู่บนความว่างไม่ใช่ไปหลงติดนั่นดูวย น, นี้นะ่ใหญ่เลยอไม่แค่นิดเดียวเองถึงได้มาเกิดอย่างไงนะอย่าไปติดมันนะอุตส่าห์มาเจอแล้วเนี่ยไอ้ใจปัจจุบันเนี่ยจิตปัจจุบันแต่ละคนก็ยังมีกิเลสอยู่มันอยากสแสวงหาวุ้ยเจอของดีแล้วเหวี่ยงทิ้งทําไมไม่เหวี่ยงทิ้งไม่พอยังไปอวดอุตตรีอีกยังไปเขาถึงล็อกไปวะอย่าพูด เพราะสิ่งนั้นขึ้นไปศาลก็ตัดสินไม่ได้ว่าเธอมีจริงหรือเปล่านะเบีย่ยงเรามีหน้าที่ดำเนินของเราไปเรื่อยๆนะก็ดีที่สุดจริงๆแล้วกวีชุดนี้มันเขาพูดถึงหลายอย่างนะเพราะกูก็เคยพูดมันก็แปลกๆมันตรงกันนะคล้ายๆว่าเออพอเราไปเห็นว่า อาเกินมาเจอคาถามว่าชีวิตคืออะไรแล้วช่วงหลังๆพ่อคูก็เจอนะเจอผู้รู้ที่เขาไปหลงความรู้เขาเขายินดีในความเป็นดักแดกของเขาน่นะเขากลัวมากที่จะเป็นผีเสื้อนะสงสารสงสารนะก็เลยเออพอดีก็เลยโอเคเอาเอามาพูดเล่าสู่กันฟังนะคือคนเราบางทีว่าเรารู้แล้วก็รู้เท่าที่เรารู้น่นะนะ เรารู้หมดเหรทุกคนรู้นะนาฬิกานั่นสูงสุดเลขสิบสองไงใครก็พูดเหมือนกันจริงเหรอจริงเหรอเลขหกถึงเลขสิบสองนั่นสามสิบนาทีเลขหกถึงเลขหกหกสิบนาทีอันไหนมันมากกว่ากันะสูงสุดคืนสู่สามัญวิชาการเรารู้แค่นั้นรู้รู้รู้รสูงสุดอยู่ตรงนั้นไงยิ่งแหลมยิ่งขับแคบยิ่งขมยิ่งเปราะบางนะ มีดดาบไปฝนฝนให้มันแหลมคมเบาบางอัตตาเยอะมากแต่ต้องไม่ได้เลยศาสตร์พุทธเจ้าไปสอนอย่างนั้นนะสอนให้ทำลายอัตตาอย่าว่าจะมันแหลมคมเลยเนี่ยมีดก็ไม่เอานะมันก็ต้องไปไม่ต้องฆ่าคนไงคือไม่มีอัตตานะ่แหละคือทางพ้นทุกไม่ใช่ปฏิบัติแล้วยิ่งอัตตาเยอะไปหลงความเก่งกว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะ ปฏิบัติยิ่งต้องลดอัตตาไม่ใช่ปฏิบัติยิ่งไปเพิ่มอัตตานะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์อย่าเสียเวลาชีวิตนะเราเสียเวลามาหลายภพหลายชาติแล้วไม่มีเวลาอากลีกแล้วเขาบอกว่าชีวิตนี้สั้นนักชีวิตนี้สั้นนักแต่ชีวิตในวัฏสงสารเอในวัฏสงสารเนะี่ยยาวนักไม่รู้กี่แสนอสงไขแล้วเราสนุกดีเนาะเดินทางมาขนาดนี้ยังอยากจะเดินต่อเนาะ หมดเวลาแล้วเจอแล้วเขาจริงๆนะไม่ใช่เผื่อขาดเผื่อเหลือนะเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้หรอกดักแด้ดักแด้สะสมพลังอยู่แต่นั่นแหละแล้วก็ไม่พัฒนาก้าไปสู่ผีเสือ้อมันก็แนวแนวลากเหมือนกันแนวลากนี่หมายถึงว่าอยู่ในเกมเดียวกันอยู่ในมิติเดียวกัน อยู่ในวัฏฏะสงสารเหมือนกันเห็นไหมถ้าเราไม่กล้าทําอะไรที่มันพิสดารหน่อยหนึ่งแล้วมันจะไปมันก็อยู่น แ, แนวแนวแนวลาบเหมือนเก่านั่นแหละคนที่ไปหลงว่าตัวเองรู้นั่นแหละพอใจในอย่างนั้นจะไปรักษามันไว้เราก็พลาดโอกาสในการเป็นผีเสื้อเนาะเห็นไหมเขาเขายกตัวอย่างดีมากเพราะว่าไอ้ดักแด้กับนอนผีเสื้อนั่นมันอยู่กับพื้นไง มันก็เป็นอย่างมากมันก็ขยับก็เป็นเลื้อยคานก็อยู่อยู่ที่พื้นเหมือนเก่าเป็นทางลาบทางเรียบแต่ผีเสื้อมันมันเหาะได้มันคนเราเรื่องเลยคนละมิติเลยเห็นไหมเนี่ยจิตวิญญาณเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่พลิกจิตให้มันถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราจะดูดออกจากวัฏสงสารนี้ไม่ได้โอเคนะจะได้มีเวลาปฏิบัติกันหน่อยหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภระรีรัตนาเตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาล